นอนสมาธิดีเหลือเชื่อการทำสมาธิโดยสาธารณะทั่วไปยืนเดินนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดเอาสติตัวเดียวเท่านั้นอันนี้เป็นวิธีสร้างพลังงานโดยไม่เสียเวลาทำงานเอางานเป็นอารมณ์สร้างพลังงานด้วยการฝึกสติของเราอย่างเดียวไม่ว่าเราจะทำอะไร ให้มีความตั้งใจฝึกสติให้มันรู้ชัดรู้ชัดรู้ชัดว่าเรากำลังเดินยืนนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดเอารู้ตัวเดียวคือสติถ้าปฏิบตัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันทุกวันเวลานอนลงไปจิตคิดอะไรปล่อยให้คิดไป คิดเรื่องงานเรื่องการเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพจิตปาทะปล่อยไปเลยเราเอาสติตัวเดียวตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับทีนี้พอไปไปถ้าเวลาเราจวนจว น, จวนจะหลับมันจะมีอาการเคลิ้มเคลิมเพลิดเพลินไปกับความคิดจิตเริ่มสว่างสว่างสมมติว่าเราระบายสินค้าไม่ออกจะไปติดต่อลูกค้าที่ไหน ในขณะนั้นแหละมันจะมีลักษณะเหมือนฝันจะเห็นสถานที่หรือบุคคลกำลังขายของอยู่พอตื่นเช้ามารีบไปติดต่อต้องการสินค้าสิ่งนั้นๆไหมอ้า่กำลังจะไปหาอยู่เดี๋ยวนี้คุณมีเท่าไหร่เอามาก็แล้วกันพ่อค้าหินอ่อนคนหนึ่งเคยทำได้ผลมาแล้วเขาไปโอดครวนกับหลวงพ่อโอ้ยหลวงพ่อทำยังไงอะ หินมันค้างสต็อกทนดอกเบี้ยไม่ไหวแล้วทำยังไงมันถึงจะระบายออกหลวงพ่อก็บอกเขาไปว่าคุณไปทำสมาธิแล้วก็แนะนำให้เขาทำอย่างที่ว่าทำไปทำมาวันหนึ่งเขาไปเล่าให้ฟังโอ้หลวงพ่อวันนี้สบายหน่อยระบายหินอ่อนออกไปได้ทั้งสองอตันถามเขาว่าทำไมล่ะเขาตอบว่า เมื่อคืนเนี้ยนอนดูความคิดไปจนกระทั่งหลับเพราะหลับไปฝันเห็นคนคุมงานก่อสร้างอยู่เทาโน้นเดินด้อมๆ อ, อยู่โน้นตื่นเช้ามาผมก็รีบเอาตัวอย่างหินอ่อนวิ่งไปหาเขาพอไปถึงไปถามเขาว่าท่านต้องการหินอ่อนไหมเขาตอบว่าคุณมีตัวอย่างมาให้ดูด้ไหมมีครับมีพร้อมมีทุกชนิดเขามาดูเขามาชี้เนี่ยผมเอาอย่างเนี้ย คุณส่งให้ผมสองร้อยตันก็แล้วกันสบายไปเลยมีหลายคนที่ทำแล้วได้ผล คิดไม่ดีบาปไหมถ้าจิตคิดเองแล้วปล่อยให้คิดไปเราเอาสติตัวเดียวกำหนดรู้แต่อย่าไปช่วยมันคิดให้มันคิดของมันเองคือไม่ตั้งใจช่วยคิดเพิ่มเติมนั่นเองให้มันคิดขึ้นมาเองเราเพียงแค่เพียงแค่รู้แต่อย่าไปตั้งใจคิดอะไรแท้ขึ้นมา จะคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโลภเรื่องธรรมะอะไรปล่อยไปเลยความคิดที่ไม่มีเจตนามันไม่บาปหรอกบางทีมันอาจจะคิดไปด่าใครก็ช่างมันรู้สิษย์ของหลวงพ่อบางคนพอภาวนาจิตสงบลงไปแล้วมันไปนั่งด่าแต่พระพุทธเจ้าอยู่โอ้ยจะไม่บาปตายเหรอมันไม่บาปหรอกเราไม่ได้มีเจตนาอันนั้นเป็นผลกรรมเก่าของเรา ให้เรากำหนดรู้เฉยๆและพยายามนึกขัดแย้งมันว่าอันนี้มันบาปอันนี้มันบาปนึกขัดแย้งมันได้เตือนมันอะไรที่คิดผิดๆขึ้นมาแล้วเตือนได้พอเตือนแล้วก็กำหนดรู้จิตเฉยๆถ้ามันเกิดบาปขึ้นมาก็เตือน